ขอนอบนอเดพระตนะไตรยขอกราบถวายความเคารพพระเทรานุเทละพระวิปัสสนาจารย์เพื่อนสัธรรมิกทุกครูขอเจริญพรกับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้บำเพ็ญธรรมทุกท่านเชิญนั่งตามสบาย งานของเราก็ได้เริ่มปฏิบัติจนวันถึงที่จงวันถึงวันที่อายุสิบหกหละญาติโยมเอาก็มากันเยอะการประพฤติปฏิบัติก็ดำเนินมาได้ดี ถึงอากาศจะอบอ้าวร้อนไปบ้างแต่ก็ได้เห็นความเพียรของญาติโยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอากจะเป็ น, นันดีถือว่างานนี้เรามาปฏิบัติมาฝึกหัดแล้วก็มาร่วมกันเจริญภาวนาทีานี้ อาการปฏิบัติของเราก็อยู่ในรูปแบบของการเจริญสติเราจะใช้อุปยาบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนการยกมือเคลื่อนไหวเป็นการฝึกเทคนิคหรืออุบายหรือวิธีการ <c oughs> อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็น การฝึกจิตของเราเพราะใจของเราจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีอุบายหรือไม่มีวิธีการหรือไม่มีรูปแบบในการฝึกมันก็ไม่ได้อยู่กระเนื้อกระตัวมันก็จะคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นๆมากมายแต่เมื่อเรามาเอาจิตมากำหนดรู้อยู่ที่อิริยาบถ กันหมดรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวมาทำความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตของเราที่มัน <c oughs> เคยดิ้นรนฟุ้งซ่านคิดมากมิตกกงังวลอ่ะมันก็จะกลับมาสู่การรู้สึกอยู่ในกายอันนี้นี่ก็คืออุบายของการที่เราจะฝึกจิตเพราะฉะนั้นการฝึก <c oughs> กับอระยบทยืนเดินก็ดีกับการเคลื่อนไหวก็ดี แม้แต่การกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจก็ดีก็ถือว่าเป็นการฝึกให้จิตของเราที่มันเคย <c oughs> คิดนึกไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยให้กลับมารู้สึกตัวในตรงนี้แรกๆสำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ก็อาจจะเพลินลืมกำหนดคือปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยคิดไปมากอันนั้นก็ไม่เป็นไร พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราลืมไปเล้อไปคิดไปเราก็กลับรู้สึกตัวแล้วก็กลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมกลับมาอยู่กับความรู้สึกที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี่ทำอยู่อย่างนี้เลยญาติโยมยกมือไปเอามือมาเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างเลี้ยวซ้ายบ้างแล้เวเลี้ยวขวาบ้างเรารู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเพิ่ม พลังของความรู้เนี่ยให้มีถีขึ้นมากขึ้นยิ่งเราได้เก็บ <c oughs> ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยได้มาก <c oughs> เท่าไรเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเราได้ผลจากการปฏิบัติมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสะสมกุศลหรือสะสมความรู้สะสมสติสัมปชัญญะของเราให้มากขึ้น เพราะสติของเรานี่อยู่ที่การอบรมอยู่ที่การสะสมอยู่ที่การกระทําถึงจะเกิดถึงจะมีขึ้นมาได้ถ้าเราไม่อบรมไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดไม่มีจิตของเราก็คงเป็นอยู่ตามสภาพแห่งสัญชาตญาณอย่างเดิมแตเดี๋ยวมันก็คิดอย่างนั้นเรื่องนี้นําความสุขบ้างนําความทุกข์บ้างนําความดีใจบ้างเสียใจบ้างมาให้แก่ตัวเราที่เราเห็นว่า <c oughs> การที่จิตของเรามันคิดโดยปราศจากการมีสติระ ล, ลึกรู้ระขาดการควบคุมเนี่ยมันทําให้จิตของเราเนี่ยหลงอยู่ในโลกของความคิดทําให้เราเกิดความอึดอัดเกิดความขับแค้นเกิดความไม่สบายใจเนี่ยถ้าเรามีอาการอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตของเราก็าไม่ปกติวันๆหนึ่งมันก็เลื่อนลอย คิดไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆมากมายแต่พอเรามามีสติอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับความรู้สึกตัวที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยความคิดที่มันเคยคิดมากมาคิดไม่รู้จักจบมันก็จะค่อยรู้สึกตัวตื่นตัวค่อยรู้สึกตัวมากขึ้นความคิดก็จะลดปริมาณลงยิ่งเรามีสติรู้สึกตัวมากขึ้นเท่าไหร่ ความคิดที่เราคิดไปด้วยความไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะลดปริมาณเหลือน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งความคิดทั้งหลายถ้าเรามีสติตื่นตัวมากขึ้นชัดเจนมีสติสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยความคิดทั้งหลายทั้งพวงนั้นก็จะค่อยจืดค่อยจางจะเหลือแต่ความรู้สึกตัวที่อยู่กับปัจจุบันธรรมเราจะทําอะไรเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็จะมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมันเคย คุณมัวเคยเศร้าหมองเคยอึดอัดเคยคับแค้นเนี่ยกลับมาเป็นความสุขมาเป็นปีติเกิดความเอิบอิ่มเกิดความสมบูรณ์เกิดความสงบเย็นขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนิสงศ์ะระดับหนึ่งของการจิตของเราที่มันมีสมาธิเพราะว่าการเจริญสติแบบนี้เนี่ยไม่ใช่จะมันจะรู้สึกอยู่แต่เพียงข้างนอก แต่เมื่อเราทำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตของเราเนี่มันจะรู้ละเอียดลึกซึ้งไปสู่นามธรรมสู่ข้างในทำให้เราเกิดสติเกิดญาณเกิดปัญญารู้เท่ารู้ทันความนึกความคิดหรือจิตที่มันปรุงแต่งอยู่ภายในถ้าเรายิ่งรู้ละเอียดเข้าไปถึงระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าสติเราเริ่มพัฒนาขึ้นมามากแล้วทำให้เรารู้ต้นต่อ รู้ต้นกาเนิดรู้ต้นแห่งการอุบัติหรือการเกิดขึ้นแห่งจิตใจของเรานะเกิดแห่งความคิดของเราเนี่ยมันทำให้เราควบคุมได้ทำให้เราหยุดกระแสของ <c oughs> การปรุงแต่งต่างๆให้สงบรางับลงได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราคิดอะไรเราปรุงแต่งอะไรเรานึกอะไร เราทำอย่างไงจิตตราถึงเป็นทุกข์ทำให้เรารู้จักว่าสิ่งไหนมันเป็นกิเลสเป็นความเศร้าหมองเป็นความอยากเป็นโลภโกร๋งมันทําให้เรารู้จักตัวเองเห็นตัวเองอย่างนี้เพราะนั้นอานิสงส์ของการเจริญสติเนี่ยจึงมีมากมากจนไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบได้ทําให้เราจิตของเราเนี่ยมันมีความสงบมีความเย็นหรือว่าธรรมมัชธรรผล ทำที่ผ่านให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราญาติโยมแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์เราก็ขอให้เอาใจของเราเนี่ยมาฝึกขัดกับวิธีการอย่างนี้แหละที่ว่ามันเป็นเรื่องที่รัดสั้นแล้วก็ตรงมากเพราะว่าวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบเจริญสติปัฏฐานสี่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าเป็นหลักสูตรที่รัดสั้นแล้วก็ตรงนทําให้เรา ไม่ต้องไปร่มหลงอยู่กับอารมณ์แห่งนิมิตทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะเป็นมายามาหลอก ล, อกลอก่อหรือทําให้เราลืมตัวหลงผิดไปกับมันเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่เราจะรู้นะจิตรู้ใจของเราโดยตรงทําให้เราเห็นจิตเห็นใจของเราโดยตรงเราไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะไปเพลิดเพลินเห็นอะไรที่มันอยู่นอกตัวอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการขจัดนะก็เป็นการรู้ เท่าทันกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นทางใจของเราเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเจริญสติตรงนี้เนี่ยเพื่อความรู้เพื่อปัญญาเพื่อญาณให้เกิดขึ้นเมื่อญาณปัญญาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าก็จะเป็นการช่วยขจัดกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจเราเนี่ยให้มันลดน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปตามกำลังของสติปัญญา เพราะฉะนั้นการเจริญสติอย่างนี้ในจึงถือว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความฉลาดเป็นการปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์โดยตรงถือว่าเป็นมรรคเป็นวิถีทางที่เราจะพึงดำเนินไปสู่ความไม่มีทุกข์ในวันข้างหน้าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจแต่ก็ขอให้เราได้เดินทางในการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ย ตอบเนื่องไปเรื่อยๆต้องอาศัยการกระ ท, ทําที่สมเหตุสมผลหรือการกระทําที่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเคยคิดเคยนึกเคยปรุงเคยแต่ง <c oughs> อยู่กับอารมณ์ฝ่ายโลกเนี่ยมามากเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยอาจจะมาดูจิตดูใจตัวเองไม่เคยรู้สึก อยู่กับการรู้ตัวที่เป็นปัจจุบันเราทำอะไรเราก็เพลินไปปล่อยจิตปล่อยใจให้มันคิดนึกไปตามที่มันอยากจะคิดไป <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นเราตามใจตัวเองเราปล่อยใจตัวเองเมื่อปล่อยใจไปแล้วเนี่ยใจก็ละเลงเพลิดเพลินไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรส <c oughs> กับการสัมผัสทางกายกับความนึกคิดที่เราปล่อยให้ใจมันฟุ้งซ่านไป เราเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ข้างนอกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อใจมันไปเพลิดเพลินติดอยู่กับอยื่อของความทุกขเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่มีวิธีการที่จะรู้เท่าทันเพรา ะ, ะนั้นจิตของเรามันจึง เ, เรียกว่ามีความทุกข์ความขับแค้นมีความไม่สบายใจอยู่ในจิตใจเราอยู่มากเมื่อประสบกับอารมณ์อันเป็นที่รักเราก็ เพลิดเพลินรุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่เป็นที่รักเมื่อสิ่งอันเป็นที่รักต้องมีอันพัดพรากไปะเราก็มีความเศร้าโศกมีความเสียใจความคับแค้นใจทํานองนี้หรือกับประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจไม่พอใจอเราก็ไปเครียดแค้นชิงชังไม่พอใจกับสิ่งที่มันมากระทบทําให้เกิดความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นในจิตใจของเรา เราก็ปล่อยให้ใจมันเป็นอยู่อย่างนี้ <c oughs> ปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้อารมณ์ดีมากระทบเราก็เพลิดเพลินรุ่มหลงอารมณ์ไม่ดีมากระทบเราก็เกลียดชังผักต้านมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราได้ปล่อยใจให้มันอยู่กับกระแสความทุกข์อยู่อย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าอยู่กับความทุกข์มากเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ปรารถนาทุกข์ไม่ต้องการทุกข์คืออยากจะให้จิตใจเป็นอิสระภาพ อยากให้จิตใจหลุดพ้นออกจากสิ่งที่อับปุพันธนาการอยู่เนี่ยเราก็ต้องมาฝึก <c oughs> มาเจริญนะทําศีลของเราที่ยังไม่มี <c oughs> ให้เกิดขึ้นทําสติของเราที่ยังไม่มีนะให้เกิดขึ้นทําสมาธิ <c oughs> หมายถึงความตั้งใจของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วก็ทําปัญญานะความรอบรู้ความรู้รอบ เหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยเมื่อเราเดินอยู่ในวิถีทางอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเดินตามมัคมัคขาคือเดินตามทางของพระอริยเจ้าเดินตามรอยพระอริยเจ้า <c oughs> เรียกว่าเดินตามรอยพระอรหรันเป็นการ <c oughs> เดินไปสู่ทางที่จะไม่มีทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกได้อบรมได้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพราะเป็นนามธรรมาไม่เหมือนร่างกายร่างกายของเราเนี่ย <c oughs> เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็เปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงให้มัน <c oughs> สมบูรณ์เลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายของเราก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็จเจริญเติบโตแล้วก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน ไอ้ความแก่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้เราจะให้เป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างเดิมเราจะห้ามหูตาไม่ให้ฟ้าฟางังไม่ให้ลวกเราจะห้ามผ ม, มให้งอกนังห้ามผิวหนังไม่ให้ย่อนยานมันก็ห้ามไม่ได้นี่มันร่งว่ามันอยู่แล้วอว่าเหนือการที่จะบังคับบัญชาในเรื่องของร่างกาย มันเป็นอย่างนั้นความแก่มาเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมดาของสังขารความเจ็บความป่วยเหล่านี้ก็เหมือนกันเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยมาทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราก็บังคับไม่ได้แล้วเราก็ต้องดูแลรักษาเยียวยาพยาบาลไปตามหน้าที่แม้แต่เรื่องของความตายที่มันจะมาถึงในวันข้างหน้าเนี่ยเราเองทุกคนก็ ไม่สามารถที่จะห <c oughs> ลบหลีกหรือไม่สามารถที่จะหนีความตายไปอยู่ที่ไหนได้จะหลบอยู่ในเรียกว่าภูเขาหรือเขาจะหลบเข้าไปอยู่ใต้ทะเลในท้องทะเลหรือจะหลบอยู่ในที่ไหนๆก็ไม่สามารถที่จะหนีไปจากความตายได้เพราะความตายก็คือเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมดาของสังขารของชีวิตที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันแก้ไขไม่ได้ะทีนี้ถ้ามันเกิดแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตาย อันนี้เป็นเรื่องของรูปธปรรมเป็นสิ่งที่มัน <c oughs> เป็นของหาความแน่นอนหรือเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็เสื่อมไปมันก็แตกดับไปตามธรรมชาติของมันที่ในส่วนที่เป็นนา ม, มารมนะจิตใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนภาวะความนึกคิดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราเนี่ยให้มันอยู่ใน สิ่งที่เราต้องการได้เพราะเรียกว่าเรื่องของใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกได้เมื่อก่อนเนี้อาจจะเป็นคนที่โกรธอคนมโมโหโทโสคนเอาแต่ใจตัวเองอจิตใจชอบอโกรธง่ายกระทบอารมณ์แล้วก็โกรธง่ายเครียดง่า ย, ายอะไรทานองนี้แต่พอเรามาเริ่มฝึกสติมาเจริญสติว่าฝ <c oughs> ึ ก, กจิตให้มีสมาธิให้เกิดปัญญารู้เท่าทันบ่อยๆอจิตที่มื่เคยโกรธ <c oughs> เคย เอมีแต่ความเครียดแค้นชิงชังเหล่านี้มันก็จะค่อยลดปริมาณลงแล้วก็หมดไปในที่สุดได้เหมือนกันแม้แต่จิตของเราที่มันมีความหลงความลืมตัวความไม่รู้สึกตัวจิตขาดสติจิตที่มันคิดฟุ้งซ่านอยู่ บ, บ่อยๆอพอเรามาฝึกมาเจริญมาปฏิบัติทําความรู้สึกตัวสติตื่นรู้อยู่ บ, บ่อยๆรู้เท่าทัน บ, บ่อยๆความหลงความเผลอความไม่รู้ความขาดสติก็จะค่อยหายไป ความรู้สึกตัวก็จะมากขึ้นแม้แต่ความอยากความปรารถนาหรือความต้องการของเราที่มันเกินข อ, อบเขตทำให้เราคิดอยากอะไรที่มันเลื่อนลอยโดยเรามีความอยากที่มันมากเนี่ยพอเรามามีสติรู้ทันว่าเออไอความอยากอย่างนี้มันทำให้จิตเป็นทุกข์อยากอย่างนี้ทำให้จิตวุ่นวายอยากจะนี้ทำให้จิตไม่มีความสงบ <c oughs> มันก็รู้เท่าทันแล้วมันก็หยุดหยุดความอยากหยุดความต้องการ จิตเราก็เข้าถึงภาวะของความเป็นปกติเข้าถึงความสะอาดได้ถึงความสว่างสวยัยอยู่ในสติปัญญาได้อยู่ในความสงบอยู่ในความเย็นได้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตของเราถึงมันจะเศร้าหมองขนาดไหนทุกขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเราปฏิบัติเหตุของความสุขสงบหรือว่าปฏิบัติถูกเหตุถูกมรรคถูกทางแล้วเนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพรา ะ, ะนั้นจิตของคนเราเนี่ย แต่ว่าสามารถพัฒนาไปได้จากจิตของคนเราที่เป็นผู้ดชนคนที่เราที่หนานแน่นด้วยกิเลสนี่แหละด้บาปอากุศลนี่แหละเมื่อฝึกขัดปฏิบัติตามหลักในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ทําให้จิตของเราเปลี่ยนจากจิตที่เป็นผู้รชนเนี่ยไปสู่ความเป็นอริยะเป็นอริยบุคคลหมายถึงว่าจิตรเรานี่ก็จะอาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพัทธกิทาคามี อนาคามีพระอาหารหันต์ถึงที่สุดอันนี้ก็สามารถจะพัฒนาให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นแกนหรือเป็นแก่นของชีวิตเป็นสาระของชีวิตจริงๆถ้าเราเข้าถึงจิตถึงใจหรือปฏิบัติจนรู้จิตรู้ใจหรือว่าเห็นจิตเห็นใจตัวเองสามารถมีสติรู้เท่าทานันมาได้เนี่ยมันประเสริฐโยงประเสริฐตรงอยู่ที่ว่าเราจะมีสติรู้ทันความคิดของตัวเอง เห็นความคิดตัวเองแล้วก็สามารถหยุดสามารถปล่อยสามารถวางสามารถทาให้จิตเราเนี่ย <c oughs> พ้นออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้เนี่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ประเสริฐ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึิงว่าการเจริญิปัตรนาเนี่ย <c oughs> เป็นการกระทาเพื่อให้เกิดความรู้แจง้งหรือการกระทาที่ให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะรู้อะไรที่มันอยู่เรื่องข้างนอกตัวเราปัญญาในทางธรรมหรือปัญญาในการที่เราพูดกันถึงตรงนี้เนี่ยหมายถึงปัญญาที่จะรอบรู้ในเรื่องของกายปัญญาที่จะรอบรู้ในเรื่องของจิตใจเพราะว่าปัญญาตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้เท่ารู้ทันว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างไรจิตใจนี่มันเป็นอย่างไรจะทำให้เราสอดส่อง รู้ทะรุปุโปรงทําให้เราไม่ติดขัดไม่หลงเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารที่ไอ้เขา่ากองสังขารเนี่ยสังขารมันก็มีหลายกองนะกองรูปกองหนึ่งแล้วก็กองนามกองหนึ่งสังขารที่เป็นรูปก็คือร่างกายเราเนี่ยโยมเป็นสังขารที่เกิดขึ้นด้วยธาต ดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากธาตุที่มาประกอบกันมาผสมประสานกันเมื่อธาตุเหล่านี้ยังมีงความสมบูรณ์ความพร้อมอยู่ร่างกายก็ดํารงอยู่ได้แต่เมื่อธาตุเหล่านี้มีอันต้องบกพร่องเปลี่ยนแปลงไปร่างกายนี้ก็ไม่สามารถจดำรงอยู่ได้ก็ต้องแตกตัดเพราะนั้นสังขารร่างกายอันนี้ เราก็เรียกว่ายึดถือกันมากเพราะความหลงอะไรไม่หลงเท่ากับหลงกายความหลงอะไรก็ไม่เท่ากับความหลงใจของเราเพราะร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจิตใจก็เป็นที่ตั้ ง, งความยึดถือเมื่อเรายังยึดถือยังหลงอยู่ในกายอันนี้เนี่ยมากมันก็ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นมากถ้าเรามีความหลงน้อยมีความยึดถือน้อย ความทุกข์ทางด้านจิตใจก็จะ <c oughs> มีน้อยเช่นเดียวกันเพราะนั้นใ้เราเรียนรู้เรื่องของกายเนี่ยให้ถ่องแท้ให้เข้าใจเราอาจจะยึดถือว่าในสมมติบัญญัติซึ่งเป็นภาษามนุษย์ของเราที่พูดกันอยู่เนี่ยภาษาบริชนเราเนี่ยถือว่าร่างกายของเราเนี่ย <c oughs> เป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของของเราในในภาษาสมมติหรือภาษา ของบุริชนเราในความหมายนี้ถูกต้องอยงเป็นตัวเราเป็นของเราเราต้องกินเราต้องถ่ายเราต้องดูแลต้องรักษาพยาบาลเราต้องทำทุกอย่างเพื่อร่างกายเนืมลงอยู่ได้อันนี้ถูกถูกต้องโดยสมุติบัญญัติแต่เมื่อกล่าวโดยภาษาของปรมาจา์หรือภาษาของพระอริยะที่ท่านพูดกันเนี่ยร่างกายนี้ท่านกลับพูดว่าไม่ใช่ของเรา มันจะขัดกันไหมโยมแต่ในภาษาของพลุชนเราเรียกว่าเป็นของเราโดยแท้จริงนะที่โดยภาษาธรรมเนี่ยหรือโดยภาษาประมัติเนี่ยท่านกล่าวว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นไงโยมมันแตกต่างรู้ว่ามันขัดแย้งกันหรือไม่ให้ลองพิจารณาดูเนี่ยถ้าว่าเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยนะมันก็เป็นการขัดแยง้งนะ่ะ ทีนี้เรามาพิจารณาดูให้ดีนะเมื่อเรามาพิจารณาดูว่าร่างกายเนี่ยที่ว่าทางธรรมมันไม่ใช่ของเราเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ตรงที่ว่าร่างกายนี้เนี่ยถ้าเป็นของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยนะเราต้องบังคับบัญชามันได้ท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะให้ต้องบังคับบัญชามันได้ บ, บังคับคําว่าบังคับบัญชาหมายถึงว่าต้องห้ามได้ว่าร่างกายเนี่ย จงอย่าแก่นะท่านบอกว่าจงอย่าแก่จงอย่าเจ็บป่วยจงอย่าตายเราห้ามได้ไมมโยมสิ่งไหนที่เราห้ามไม่ได้เนี่ยในพลังทางพระท่านว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องบอกว่าอย่าแก่แล้วมันก็ไม่แก่ถ้าอยู่ในอำนาจของเราบอกว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข่อย่าไม่สบายเราก็สามารถที่จะห้ามมันได้ รื่อบอกว่าอย่าตายนะจงอยู่ตลอดเราก็ห้ามมันได้เนี่ยสิ่งไหนที่เราห้ามมันไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยให้ทางศาสนาเรียกว่ามันเป็นของที่ไม่ใช่ของเราเมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครมนเป็นของใค ร, ม, ใครมันก็ไม่ใช่ของใครเท่นั้นนะโยมเป็นของธรรมชาติอันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยมีส่วน ที่มาเกี่ยวข้องสนับสนุนทําให้เขาเกิดเขาก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็ดับไปในตามหลักศาสนาทั้งกลายว่าสิ่งใดชิ้นหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมยอมมีความดับไปเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าก่ารโดยสมมติบัญญัติหรือโดยภาษาโลกโดยภาษาของผู้นเราเนี่ย ก็เป็นของเราแน่นอนในญาติโยมต้องดูแลต้องรักษาต้องพยาบาลต้องเลี้ยงบํารุงเอาใจใส่ทุกอย่างถูกต้องที่สุดแต่เมื่อมาถึงขั้นปรามัตธรรมถึงขั้นของการที่จะปลดปล่อยหรือการที่จะละอุปาทานแล้วเนี่ยก็ต้องเห็นว่าร่างกายนี่เป็นของธรรมชาติเป็นของอนิจจ์นะคือของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลง ไปตามการเวลาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไม่คงที่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีความทุกข์อยู่ในนั้นะในกายอันนี้แหละโยมท่านกล่าวว่ากายเนี่ยคือก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งนะที่มันดำรงอยู่เนี่ยคือดำรงอยู่ด้วยความทุกข์โยมจะเห็นได้ว่าถ้าเรามา <c oughs> พิจารณาดูดีๆเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยร่างกายแล้วแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยญาติโยม ลองสังเกตไหมว่ามันมีทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้วะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยทุกข์ก็เกิดแล้วทุกข์เพราะความหิวความอยากทุกข์เพราะถ่ายอุจจระปัสสวะทุกข์เพราะความปวดความเมื่อยทุกข์เพราะต้องบริหารร่างกายต้องทําหน้าที่ของเราเนี่ยเพื่อบําบัดความทุกข์เพราะนั้นการที่เรา สแสวงหาปัจจัยสี่สแสวงหาอาหารก็ดีผ้านุ่งผห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดียารักษาโรคก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสแสวงหาเพื่ออะไรสแสวงหาเพื่อมาบำบัดทุกข์เพื่อร่างกายที้ดำรงอยู่ได้ให้ความทุกข์เบาบางลงเพราะนั้นจึงถือได้ว่าร่างกายเนี่ยคือก้อนทุกข์ก้อนหนึง่งเกิดออกมาจากคลอดออกมาจากท้องมารดาของหรือเกิดมาจากแม่เนี่ยเราก็เริ่ม ร้องเลยโยมตะโกนร้องนะกํามือแล้วก็ร้องอ้วแอววแววหมายถึงว่าประสบกับปัญหาชีวิตแล้วประสบกับความทุกข์แล้วนะไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาแล้วเกิดความชอบใจดีใจหัวเราะออกมาไม่มนะีมีแต่ร้องออกมาเท่านั้นนะโยมนี่ก็คือเรียกว่าการเกิดมาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์เพราะนั้นการที่เราต้องทำมาหากินต้องประกอบกิจหน้าที่การงานเหล่านี้ก็เพื่อแก้ทุกข์บบัดทุกข์ <c oughs> ให้ชีวิตนี้มันดำลงอยู่ได้ <c oughs> ไม่ให้มันแตกดับไปก็ bukan. เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความทุกข์กัน <c oughs> ไปตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นทีนี้ไอ้ก่อนทุกข์ก่อนนี้เนี่ยมันจะหมดจริงๆก็ต่อเมื่อมันหมดลมนายโยมหมดลมหายใจนั่นแหละความทุกข์ต่อหน้านร่างกายถึงจะหายไปเพราะฉนั้นท่านจึงให้มากะหมดอิยาบทมาดูเวลาที่เรานั่งเนี่ยท่านให้กะหมดรู้ว่ากายนี่รูปเนี่ยนั่ง พอนั่งนานๆแล้วเป็นไงโยมทุกปรากฏทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยความเจ็บความทรมานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ให้เราพิจารณาดูอันนี้คือก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไปยืนเอายืนนานๆมัน ก, ก็เมื่อย ก, ก็ต้องเปลี่ยนไปเดินเดินนานๆแล้วมัน ก, ก็เมื่อยก็เหนื่อยก็ทุกต้องเปลี่ยนไปนอนนอนนานๆมัน ก, ก็ทุกก็ต้องเปลี่ยนเรียบทีอย่างเงี้ยโยมเดินเดินนั่งนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นในตัวเรียบทเองเนี่ย ที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยก็เพื่อที่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนทุกข์ตรงนี้เบาบางไปสู่อริยบทใหม่เปลี่ยนอริยบทใหม่แล้วก็ทุกข์อริยบทนั้นก็เกิดขึ้นอีกแทนกันอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นอยู่อย่างนี้เห็นไหมโยมว่าร่างกายนี้คือก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยาเป็นทุกขังเป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าเราบังคับไม่ได้บังคับไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่แก่ไม่ตายไม่ได้เรีกว่าเป็นอนัตตา ไปว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราโดยแท้จริงเป็นอย่างนี้ทีนี้การให้รู้เห็นอย่างนี้เพื่ออะไร <c oughs> ก็เพื่อให้เราเนี่ย <c oughs> มีจิตอยูใ่ในเพื่อจิตของเราจะได้คลายคลายความยึดถือคลายความสำคัญมั่นหมายในกายนี้ให้เห็นว่าเป็นสักว่าธาตุให้เห็นเป็นสักว่ารูปรูปธรรมสักว่าธาตุดินาธาตุน้ำธาตุลมาธาตุไฟท่านให้ถอนตัวตนห อ, อก โดยการปฏิบัติเนี่ยคือให้ละตัวตนออกทีนี้การละตัวตนก็หมายถึงละความเห็นความเห็นที่เป็นเหตุให้ถือตัวถอือตนหรือความเห็นที่มันถือตัวถือตนอยู่เนี่ยให้มันจางคลายไปในทางภาษาธรรมก็เรียกว่าให้คลายความยึดถือเรียกว่าสักยทิฏฐิสักยะทิฐินี่มีความหมายว่าความยึดความเห็นที่เป็นเหตุให้ถือตัวถอือตนความเห็นที่เป็นเหต mm ุ hmm. ให้ถือตัวถือตนดังนั้นความถือตัวถือตนเนี่ย มันจึงเกิดมาณนะเกิดทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นมณะแปลว่าความถือตัวที่ให้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนเนี่ยมันจึงเป็นเหตุทําให้จิตใจเรานี่เกิดความเศร้าหมองได้มากมายเพราะนั้นในการปฏิบัติธรรมะด้วยการเจริญธรรมเนี่ยท่านจึงให้เรานั้นได้รู้จักใช้ปัญญาในการพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นของอนิจจ์เป็นของไม่เที่ยง ให้เห็นความไม่เที่ยงนั้นปรากฏในปัญญาของเราให้เห็นว่าร่างกายนี้คือความทุกข์ก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งที่ต้องบำบัดรักษาตลอดเวลาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่จี๋หลังยังยืนบังคับบัญชาไม่ได้ต้องแตกต้องดับให้เราเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าให้เราเห็นมองเห็นสัจธรรมมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตมองเห็นความเป็นจริงของร่างกายตามความเป็นจริงเพราะร่างกายแต่หากว่าเราไม่มองเห็นมันเป็นอย่างนี้เนี่ย มันก็เป็นเหตุให้ถือตัวถือตน ถ, ถือเราถือเขาถือความสวยความงามอยู่อย่างนี้ทำให้เรารุ่มหลงอยู่ในการราคะรุ่มหลงอยู่ในการสัมผัสทางกายมากขึ้นทำให้เราพอกพูนตันหาราคาเนี่ยมากเพราะเราไม่มองเห็นความจริงเต็มเมื่อใดเรามอง